หนาวไหมวันนี้ไม่ค่อยหนาวนะที่วัดให้หนาวจัดเป็นช่องลมอยู่ในซอกภูเขาลมจะแรงปีใหม่ทั้งทีนะตั้งใจไว้เราจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเกา่าคนไหน ใจแคบก็หัดใจกว้างนะคนไหนไม่เคยมีศีลก็ตั้งใจรักษาศีลไปคนไหนไม่เคยมีความสงบสุขในใจก็ฝึกให้ใจได้สุขได้สงบบ้างคนไหนไม่มีจิต ท, ที่ตั้งมั่นก็พยายามฝึกให้มันตั้งมั่นบ้างนะคนไหนแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นก็แยกให้เป็นคนไหนแยกขันธ์ได้แล้วยังเห็นไตรักษณ์ไม่เป็นนะก็หัดดูขันธ์แสดงไตรลักษให้เป็น คนไหนเป็นแล้วนะให้มรให้ผลเกิดไปไปก็แล้ว ก, กันนะแต่ยังไม่เป็นอย่างนี้ที่ตามลำดับที่ว่ามานะอดทนไปปีหน้าเผื่อจะเป็นทำมากงจริงไม่ได้ยากอะไรหรอกการที่เราจะเข้าถึงมรผลในชีวิตนี้นะไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอย่างพวกเราจะทาได้พวกเราคนธรรมดา มีสองตาสองหูหนึ่งปากมีสองแขนสองขาหนึ่งหัวอะไรเนียคนธรรมดาธรรมดาสมประกอบไม่ได้บ้าใบบอดอกมาแต่กำเนิดคนที่บ้าใบบอดอกแต่กำเนิดนันเป็นอาภัพบุคคลเขาเรียนธรรมะไม่ได้ไม่มีสื่อที่จะเรียนไม่มีตาไม่มีหูเงนี้ พวกเรามีตามีหูมาแต่ถ้ามาหูหนวกตาบอดที่หลังนะตอนโตแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่จัดว่าเป็นอาภัพบุคคลคือถ้าเคยได้ยินได้ฟังธรรมะมาก่อนแล้วไปจะหูหนวกตาบอดเลยไม่สำคัญหรอกถ้ารู้วิธีปฏิบัติลนี่พวกเรามีต้นทุนที่ดีมาแล้วนะเรามีตาหูจมูกเล่นกายใจที่ปกติ เรามาเรียนรูนะ้กายรู้ใจให้มากยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆชาตินี้ต่างน้อยก็เป็นพระโสดาให้ไดนะ้อย่างต่ำนะโสดาบันไม่ใช่เรื่องยากโสดาบันเนี่ยจิตยอมรับความจริงแล้วว่าขันมีอยู่แต่ตัวเราไม่มี มีการกระทําให้มีผู้กระทําเห็นด้วยใจอย่างแท้จริงการที่จิตจะรู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกได้ก็ต้องพามันดูว่าความจริงของกายเป็นยังไงความจริงของใจเป็นยังไงพามันดูไปบ่อยๆเมื่อวันหนึ่งมันก็เข้าใจขึ้นมาจึงยอมรับความจริงอย่างพวกเราบางคนหัดภาวนากับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งบางวันบางเวลาเน่มันเกิดเห็นขึ้นมาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา อย่างบางคนแปลงฟันแปลกนะตอนแปลงฟันเนี่ยเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยเยอะนะเคลื่อนไหวอยู่รู้สึกเลยมือเนี่ยมันไม่ใช่เราที่มาส่งเงินบ้านเนี่ยนะในร่างกายเนี่ยที่เห็นไม่ใช่เราเนี่ยมีบ่อยที่สุดในะตอนแปลงฟันแปลกงั้นขยันแปลงฟันนะวันวันหนึ่งพยายมแปลงฟันแล้วก็อย่าตั้งใจ อย่าตั้งใจมากนะจงใจเราไม่เห็นหรอกแต่ว่าหัดรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆนะแล้วตอนที่มันไม่ได้จงใจจะเห็นมันจะเห็นตรงที่อยากเห็นจะไม่เห็นหรอกการที่เราจะสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้นะก็มีเงื่อนไขหลายอย่างอันแรกเลยก็ต้องมีกายมีใจเอาไว้เห็นไม่งั้นจะไปเห็นกายเห็นใจว่าไม่ใช่ตัวเราเป็นไตรลักอะไรงนี้ได้ยังไง ต้องมีกายมีใจก่อนจะมีกายมีใจแล้วก็ต้องมีการเห็นที่ถูกนะมีกายมีใจก็ต้องไม่ลืมกายลืมใจอย่างเรามีร่างกายเรามีจิตใจไม่ต้องแต่เกิดนะึ่แต่เราลืมมันตลอดเวลาเราสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นเราลืมตัวเราเองตลอดเวลาเลยเราลืมตัวเราเองนะมีร่างกายร่างกายก็หายไปหายไปจากความรู้สึก มีจิตใจจิตใจก็หายไปจากความรู้สึกขณะนี้หายใจออกหรือหายใจเข้าก็ไม่รู้ขณะนี้ทำท่าทำทางอะไรก็ไม่รู้ขณะนี้จิตใจสุขจิตใจทุก็ไม่รู้ขณะนี้จิตใจเป็นกุศลหรืออกุศลก็ไม่รู้ถ้าเป็นอกุศลชนิดไหนก็ไม่รู้อีกเป็นกุศลชนิดไหนก็ไม่รู้อีกกุศลก็มีหลายระดับนะกุศลทั่วๆไปกับกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาไม่เหมือนกันอีก อกูสนก็มีหลายอย่างโลบโกรดหลงเป็นตัวหลักๆแต่ละตัวก็มีลูกมีล้านออกไปอีกเยอะแยะเลยอย่างตัวโกรดเนี่ยแตกออกไปได้เยอะแยะเลยน้อยใจก็โกรดนะอยู่ในตระกูลโทสะน้อยใจเซ็งเบือ่อตระกูลโทสะทั้งหมดเลยเวลาที่เราใจลอยไปนะเราลืมกายเราลืมใจนะเรากําลังเซ็งมากๆเราก็ไม่รู้ตัวว่าจิตกําลังเซ็งอยู่นะ หรืกำลังกลุ่มใจอยู่นะเวลากลุ่มใจนีเราไปคิดเรื่องที่ทําให้กลุ่มเราคิดแต่เรื่องราวที่ทําให้กลุ่มใจเราลืมรู้ว่าใจกําลังกลุ่มนะคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างเงี้ยไปรู้เรื่องที่คิดสมหมดเลยไปรักสาวสักคนหนึ่งคิดถึงสาวหน้าสาวโผล่ขึ้นมากายเราใจเราหายไปเราลืม ดังนันก่อนที่จะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ต้องมีกายมีใจก่อนจะมีกายมีใจได้ก็คือคอยรู้สึกเหมือนไว้อย่าไปจ้องมันแค่รู้สึกตอนนี้รู้สึกไหมร่างกายหายใจออกหรือร่างกายหายใจเข้าแค่รู้สึกอย่าไปจ้องลมหายใจนะอย่าไปจ้องร่างกายที่หายใจเลยเอาแค่รู้สึกคำว่าแค่รู้สึกเนี่ยรู้สึกน่าจะดีดีกว่าคำว่าดูดูเนี่ยอดจ้องไม่ได้จงใจดูนะ รู้สึกไหมตอนนี้ยมีร่างกายลองยิ้มซิลองยิ้มยิ้มแล้วรู้สึกไหมเห็นร่างกายยิ้มไหมมันรู้สึกเหรอว่าร่างกายยิ้มไม่ได้เห็นหรอกเราจะไปเห็นปากเรายิ้มได้ไงนาะเราปากเราไม่ใช่เปิดเลยปากเราก็สั้นๆจะไปเห็นเป็นยิ้มได้ไงมันรู้ด้วยความรู้สึกครัเนี่ยหัวเละรู้สึกไหมพุง ก, กับเพื่อมกับเพื่มหัวละเราแค่รู้สึกนะไม่ได้เห็นด้วยตาหรอก เรารู้สึกถึงกายรู้สึกถึงใจรู้สึกบ่อยๆหัดไหมคนส่วนใหญ่ใจลอยใจหนีไปตลอดเวลาเลยลอยเวลาใจลอยก็ลืมตัวเองไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจดูง่ายๆนะตอนโทรศัพท์เวลาหลวงพ่อเลิกเทศแล้วออกไปข้างนอกนะมีคนโทรศัพท์ต้องดูสิตอนโทรศัพท์นี่แนหะคุยส่วนมากลืมกายลืมใจนะ สาวสวยบางคนนะโทรไปแค่ขีดฟันไปแค่ขีดหูไปหมดความงามเลยลืมตัวเองงั้นเราอย่าลืมตัวเองนานจะห้ามไม่ให้ลืมตัวเองนะห้ามไม่ได้จิตมันเป็นของที่บังคับไม่ได้นะเป็นอนัตตาสั่งมันไม่ได้สั่งว่าอย่าลืมมันก็ลืมได้นะหน้าที่เราคือพยายามรู้สึกหัดรู้สึกบ่อยๆทําในรูปแบบขึ้นมานะ ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง่ารู้ลมหายใจจะพุโทโธจะดูท้องพองยุบอะไรก็ได้แล้วค่อยรู้ทันใจของตัวเองพุโทโธพุโทโธใจหนีไปคิดแล้วรู้ทนันหายใจไฟใจหนีไปคิดแล้วรู้ทนันค่อยรู้ทันใจที่ไหลไปเรารู้ทันใจที่ไหลไปนะใจม ja e. ันจะกลับมาอยู่กับตัวเองเนื้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่จิตใ จ, จยอยู่กับเนกับตัวนะคือสภาวะที่จิตมีสมาธิที่ดีนะสําหรับการทําวิปัสสนากรรมฐาน ไม่ยังเป็นต้องเข้าฌานหรอกเข้าฌานได้นะถ้าเป็นฌานที่ถูกต้องก็ดีถ้าเป็นฌานที่ไม่ถูกต้องก็เดินปัญญาไม่ได้ฌานที่ไม่ถูกต้องคือฌานที่จิตมันเคลื่อนออกไปแนบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างดวงกระสินเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นจิตเราไปจับอยู่ที่แสงอันนี้เห็นอะไรจะเห็นแสงจะลืมตัวเองฌานอย่างนี้ใช้ไม่ได้เรียกว่าอารมณูปนิฌานฌานที่ใช้ได้คือจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิต ข้าฌานบางทีนะร่างกายหายไปเลยโลกทั้งโลกหายไปเลยเหลือความรู้สึกตัวอย่างเดียวอันนั้นยังไม่ขาดสติเลยนะรู้สึกตัวแต่ไม่มีตัวให้รู้สึกไม่มีร่างกายไม่มีความคิดนึกอะไรไม่มีนะเหลือแต่ความรู้สึกตัวล้วนๆเลยนี่บางคนเก็ไปวัดภาพพระอรหันต์ไว้นะจิตพระอรหันต์จะรู้สึกตัวล้วนๆไม่มีอะไรเลยไม่คิดไม่นึกไม่พรุงไม่แต่อันนั้นจิตทรงฌานนะไม่ใช่จิตพระอรหันต์ อกที่ไม่ใช่าารพระอาหารหันต์เขาก็ทําได้แล้วพระอรหันต์อาจจะไม่ทําเลยก็ได้ไม่จําเป็นงั้นบางคนเข้าจะผิดนะคิดว่าว่างสว่างไม่มีอะไรเลยเหรือแต่ความรู้ตัวอยู่เฉยๆอยู่งั้นคิดว่าที่สุดแห่งทุกข์อย่างนี้ที่จริงมันเป็นอรูปฌานงั้นเราทางที่ดีนะถ้าเข้าชาญไม่เป็นชาญมีทั้งสองอย่างส่วนใหญ่ที่เขาทากันได้คือชาญที่จิตไหลเอาไปเพียงอารมณ์อยูอนเดียว อ น, น้นได้แต่ความสงบได้แต่ความสุขไม่เกิดปัญญาฌานที่จิตถึงฐานจริงๆทําได้ไม่กี่คนหรอกทยากไม่คุ้นเคยดังน้นเราทําฌานไม่ได้เราใช้สมาธิในชีวิตประจําวันเนี้ยสมาธิธรรมดาธรรมดานี้เรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิเป็นขณะขณะขณะใ ด, ดจิตไม่ไหลไปขณะนั้นจิตมีสมาธิแค่นั้นเอง ขณะใดาจิตไหลไปก็จิตไม่มีสมาธิงั้นเราคอยรู้ทันเวลาจิตไหลอย่าไปห้ามมันไม่ให้ไหลนะจิตเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้ให้รู้ทันบ่อยๆว่ามันไหลไหลแล้วรู้เร็วๆไหลแว บ, บรู้แวบบรู้ไปเรยนอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปจิตไหลไปแล้วรู้ทันหายใจไปจิตไหลแล้วรู้ทันฝึกงนงี้ให้มากนะฝึกทุกวันทุกวันซ้อมไปเรื่อยๆไม่ต้องหวังว่าเมื่อไหร่จิตจะตั้งมั่นถึงฐานเลยนะ อย่าไปคาดอย่าไปหวังมันทำแบบไม่หวังผลนะจะได้ผลเร็วทำแบบหวังผลจะไม่ได้ผลเลยเสียเวลาเหน็ดเหนื่อยจะกลายเป็นเค้นจิตบังคับจิตเป็นอาตาัตตายิรมาฐานโยกไปหมดนั้นเรามาพยายามฝึกอย่าให้หลงยาวพวกง่ายๆอย่าให้หลงนานให้หลงนิดๆหน่อยๆพองามอย่าถึงขนาดว่าไม่ให้หลงเลยถ้าคิดจะไม่ให้หลงเลยนี่หลงสุดยอดเลย พี่จะหลงทําความรู้สึกตัวขึ้นมาตัวรู้นั้นจะกระด้างแข็งแข็งใช้ไม่ได้งั้เราพยายามรู้สึกตัวนะค่อยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยจิตไหลได้หกช่องไหลไปทางตาไปดูไหลไปทางหูไปฟังนะไหลไปทางจมูกไปดมกลิ่นไหลไปทางลิ้นไปรู้รสไหลไปทางกายยไปรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวทางกาย ไหลไปทางใจนี่ไหลไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งนเวลาเราอยู่ในชีวิตประจาวันจิตไหลไปหกช่องเลยงั้นอยู่ๆจะมาฝึกแค่ชำนาญในชีวิตประจาวันมันฝึกยากเพราะมันไหลเยอะเราก็ทำในรูปแบบอย่างเรารู้ลมหายใจเราไม่ได้ไปเที่ยวดูเที่ยวอะไรต่อเลยนะจิตก็จะไม่ไปไม่ไปทางตาทางหูอะไรมันจะไปแค่ทางกายคือไหลไปอยู่ที่ลมหายใจหรือไม่ก็ไหลไปคิดนีทางใจ หนีสองช่องเองทางกายกับทางใจนะการทําในรูปแบบเนี่ยจะช่วยทําให้เรารู้จักแล้วก็จดจําสภาวะที่จิตไหลไปได้เร็วนะดีกว่าอยู่ข้างนอกนี้อยู่ข้างนอกไหลต้งหกช่องดูยากอุตลุดไปหมดเลยตลอดเวลาเลยดูยากยงั้นเริ่มตอนทําในรูปแบบซะหน่อยหนึ่งนะวันหนึ่งสินาที15นาทีไหว้พระสวดนมนต์เสร็จแล้วก็คอยรู้ทันทํากรรมฐานอย่างหนึง่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมา เช่นรู้ลมหายใจบางทีจิตก็ไหลไปคิดบางทีจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลยอย่าไปห้ามไหลได้นะแต่อย่าไปห้ามไม่ห้ามมันไหลเรารู้ไวๆนะนี่ยเราคอยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อๆในสุดจิตใจจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองโดยที่ไม่ได้เจตนาสภาวะที่จิตกลับมาอยู่ที่ตัวเองเนะี่ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านจะเรียกว่าจิตผู้รู้ จิตผู้รู้นีผู้ตื่นผู้เบิกบานตอนที่จิตมันรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยยังมี2ชนิดนะผู้รู้ที่ถูกกับผู้รู้ที่ผิดตอนที่เราหัดใหม่เนี่ยมันจะได้ผู้รู้ที่ถูกหัดไปสักพักหนจะเกิดผู้รู้ที่ผิดอย่างตอนเราหัดใหม่ๆหลวงพ่อบอกว่าจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะตอนที่เรารู้ว่ามันไหลเนี่ยมันจะเกิดตัวรู้ที่ถูกขึ้นมาพอเกิดหลายๆรอบเนี่ยชักจําตัวรู้ที่ถูกได้แล้วพอจําตัวรู้ที่ถูกได้เลยจงใจทําให้ตัวนี้ขึ้นมา รูลล้ละรู้อย่างนี้ตัวรู้ที่ผิดเนี่ยมันจะแข็ง แ, แข็งหนักหนักแน่นแแข็งแข็งทื่อๆนะใช้ไม่ได้หรอกตัวรู้จําปลอมเนี่ยตัวรู้ที่ถูกนะจะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะรู้นืรู้ตัวสบายๆรู้ตื่นเบิกบานตัวรู้ที่ถูกตัวรู้ที่ผิดจะแข็งกระด้าง ตัวรู้ที่ผิดมาจากตัวรู้ที่ถูกนั่นแหละคือเคยเห็นตัวรู้ที่ถูกแล้วก็เลยไปจงใจทําขึ้นมาแทนที่จะคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะไม่เอาแล้วคอยจ้องจิตไม่ให้เคลื่อนเลยนะจ้องเอาไว้คราวนี้เลยเป็นตัวรู้ปลอมใช้ไม่ได้นะงั้นรู้บ้างเผลอบ้างดีกว่ารู้ตลอดเวลาหน้าตายอย่างพวกเราภูมิจิตภูมิธรรมอย่างพวกเรารู้ตลอดไม่ได้ไม่ใช่พระอรหันนะเพราะฉะั้นเราต้องรู้บ้างเผลอบ้างถ้าจะรู้ตลอดเนี่ยจะกลายเป็นตัวรู้ที่ผิดแน่นอนเลยนะ งั้นคนไหนรู้สึกตัวว่าเนี่ยชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่เผลอเลยมีไหมถ้ามีนะให้ไปสํานึกเลยนะว่ารู้ผิดแล้วล่ะไปตั้งตัวรู้ขึ้นมาเป็นรู้จอมปลอมรู้อย่างนั้นอยู่ได้หลายวันนะแต่ไม่เกินเจวันเนาะก็เสื่อมเหมือนกันนะง<ช>ั้นเราทำเนี่ยเราอย่าใจร้อนเราทําไปตามลำดับทำขั้นตอนไหว้พระสวดมนต์ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลไปคิดรู้ทันไหลไปจับอยู่ที่อารมณ์รู้ทัน เรารู้ลมหายใจหรือรู้ท้องเนี่ยจิตไหลไปคิดเราก็รู้จิตลงไปอยู่ที่ลมก็รู้จิตไปอยู่ที่ท้องก็รู้จิตเป็นเคลื่อนเรารู้จิตมันเคลื่อนเรารู้อย่าไปห้ามมันว่าห้ามเคลื่อนให้มันเคลื่อนแต่เคลื่อนเรารู้นะเราไม่แทรกแซงถ้าฝึกได้แบบนี้นะไม่นานใจเราจะอยู่กันเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวได้แล้วเนี่ยเรารู้สึกคอยรู้สึกต่อไป เรารู้สึกเรามีร่างกายเรามีจิตใจขึ้นมาแล้วนะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเรืได้เราจะเริ่มเห็นนะว่าร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะแล้วก็ถ้ามันไม่ยอมเปลี่ยนเมื่อไหร่อยู่ที่คงทนเมื่อไหร่นะจะทุกข์มากเลยอย่างร่างกายเนี่ยถ้าลองอยู่นิ่งๆเนี่ยทุกข์นะอยู่นิ่งไม่ได้ลองอยู่หายใจดูสิทุกข์ไม่ทุกขนะ์嘛 หรืหายใจอย่างเดียวไม่หายใจออกนะหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์อีกนะต้องเปลี่ยนตลอดเวลานะการเปลี่ยนอิริยาบถนะทั้งอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยเนะี่ยมันช่วยปิดบังความทุกข์ในกายของเรากายเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะแต่คนทั่วไปไม่รู้ไม่เห็นหรอกยกเป็นแต่ป่วยหนักๆหรือเจ็บมากๆหรื อ, อรู้สึกเพราะอะไรเพราะจิตใจไม่เคยอยู่กับร่างกายครับ ไม่เคยรู้สึกในร่างกายถ้าจิตใจเรารู้สึกอยู่ในร่างกายเราจะเห็นนะมันมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยในร่างกายนี้หรลอจิตใจเราอยู่กับจิตใจเราเองนะไม่หลงไปรู้สึกอยู่มีอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้สึกเราก็จะเห็นเลว่าความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยมาได้ก็ไปได้อยู่ได้ชั่วคราวทั้งหมดเลยความสุขเกิดขึ้นก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความหนักก็ชั่วคราวความเบาก็ชั่วคราวนะ อะไรใดก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวโรคปวดลงก็ชั่วคราวนี่จะเห็นอย่างนี้เห็นด้วยความรู้สึกไม่ได้เห็นด้วยตานะนั้นคำว่าดูจิตดูจิตหรือดูกายอะไรอย่างที่ว่านี่ไม่ได้ดูด้วยตานะรู้ด้วยความรู้สึกเท่านั้นเองเรารู้สึกบ่อยๆเราก็จะเห็นความจริงของมันจะเข้าใจความจริงของมันร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถ้ามันไม่เคลื่อนไหวเมื่อไหร่มันทุกเมื่อนั้นเลย ก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนอิเดียบทไปก็บรรเทาทุกข์ไปเดวความทุกข์ก็ตามมาอีกนะหายใจเข้ามาสบายใจแป๊บเดียวนะสบายแป๊บเดียวนี่ก็ทุกข์ต้องหายใจออกอีกหายใจออกแล้วสบายแป๊บเดียวแล้วก็ทุกข์ต้องหายใจเข้าอีกนะยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์นะต้องเปลี่ยนอิเดียบทตลอดเวลาก็ทั่งนอนที่ว่าดีแสนดีสุขแสนสุขนะกลางคืนนอนเราอยังพลิกซ้ายพลิกขวาเลยนะพลิกไปพลิกมามีไม่ควรที่นอนแล้วไม่พลิกมีไหม มีพวกเป็นอามาพาสปริกไม่ได้ถามว่าสุขหรือทุกข์อ่ะทุกข์นะทุกขนะ์เป็นแปลกดทับเป็นอไรไม่นานก็ตายติดเชื้อตายนะเนี่ยร่างกายนะ่ะมันดิ้นถ้าดูเป็นนะจะรู้สึกเลยเร่างกายเนี่ยนะมันเหมือนปลาที่เขาจับขึ้นมาเป็นเป็นนะั่นละโยนลงไปในเตานะดิ้นดิ้นหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยเร่างกายเหานี้ดิ้นหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่เราไม่เคยรู้สึก อาจรู้สึกซะ บ, บ้างนะแล้วจะรู้สึกเลยกายนี่ไม่ใช่ของดีอะไม่ใช่ของน่ารักน่าหวงแหนเลยจิตใจนี่ก็เหมือนกันนะจิตใจจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอันนี้จะเห็นอนนี้จังง่ายร่างกายนี่เห็นทุกข์ง่ายถ้าอยู่นิ่งขึ้นมาก็ทุกข์ละไม่ไม่เปลี่ยนอยิยาบทไม่เคลื่อนไหวก็ทุกข์ละแต่จิตใจนี่นะถ้ามันสงบขึ้นมาแล้วมันมีความสุข มันดูยากว่ามันทุกข์แต่ดูง่ายว่ามันไม่เที่ยงนะเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะดูอย่างนี้ไปเรื่อยนะดูไปอย่างที่มันเป็นอย่าไปแทรกแสงบังคับกายบังคับใจนะปล่อยให้กายให้ใจทํางานไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วเรามีสติตามรู้ไปที่หลวงพ่อสอนบ่อยๆไปให้สวมบัวใจเด็กไม้เด็กไม่มีมารยานะอยากยิ้มมันก็ยิ้มใช่ไหม อยากหัวเรามันก็หัวเราะอยากอืออยากฉี่มันทําหมดนะมันทําไม่มีมัรยานะแต่เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะอยากอือตอนนี้ก็มีอย่เพิ่งอนะึให้มันมีที่มีทางโตแล้วไม่ใช่เด็กเล็กน่าเกลียดไปหน่อยนะเด็กนี่ไม่มีมัรยาเด็กจะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่เป็นธรรมชาตนะิแต่เด็กเนี่ยขาดสติพวกเรามีสติแต่เราขาดอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ อย่าบังคับตัวเองแทรกแซงตัวเองตลอดเวลาเลยยังจะโกรธขึ้นมาก็อย่าโกรธเลยอย่าโกรธเลยนะแทรกแซงเด็กบทจะโกรธมันโกรธเลยใช่ไหมตอนเด็กๆจําได้ไม่วลาเล่นกับเพื่อนเดียวก็โกรธกันละโกรธโกรธโกรธร้อยปียมาดีร้อยชาติแต่ร้อยชาติของเธอห้านาทีก็ดีก็ได้นี่ชาติเกิดดับรวดเร็วเลยแม้ชีวิตหนึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วเลยตั้งร้อยชาตินะแวบเดียวอย่างเ่็นไหม จิตใจนะั้นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็ น, ป น, ปนธรรมชาติธรรมดาจิตอย่างนั้นแหละดีที่สุดเลยสําหรับการเอามาทํากรรมฐานแต่เด็กขาดสติเด็กโกรธก็จะเห็นไอ้เพื่อนที่ทําให้โกรธใช่ไหมอยากกินไอติมหเห็นไอติมจะค่อยไปดูตัวเองไม่มีกินจะไปดูของคนอื่นเขาอะไรเงี้ยนะมันซื่อๆนะมันดูออกไปข้างนอกของเราเนี่ยมีสติแต่เรามักจะขาดอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติเราจะจะเสแสร้ง ใครมานยาเก่งบ้างยกมือซิมีไหมผู้ชายไม่มานยาเนีไม่จริงผู้ชายก็มานยาเก่งนะทำเป็นอ่อนอ้อนเพราะหญิงพวกมานยามากทั้งนั้นแหละไม่มีหรอกไม่มีมารยานี่ฟังละรังนะยิงยิ่งสบายใจเสียงยังไม่หมดเลยเสียงไปหมดตอนไหนตอนที่ไม่ได้ยิน อย่างหมาเนี่ยเขาระครังเนี่ยนะมันได้ยินยาวนานกว่าเราเยอะเลยนะถ้าจิตเราสงบพอแนละ้วเรจะได้ยินเสียงที่เคาะเนี่ยนะตั้งนานเลยกว่าจะหายจนกระทั่งเสียงจับถูจับไม่ได้แตถ้าสมาธิเราไม่มีแก้งเนี่ยวก็ไม่ได้ยินแล้วเนี่ยเสียงคลางยังอยู่เลยเสียงคลางของมันยังอยู่เลย ส, ส่งจิตออกนอกไปฟังเสียง <laughs> เห็นไหมลืมตัวเองอีกแล้วรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวบ่อยๆเห็นไหมตัวอะไรมันยิ้มเห็นไหมตัวอะไรมันหัวเราะเห็นไหมตัวอะไรมันสบายใจมีความสุขรู้สึกไหมเห็นไหมความสุขลดลงแล้เป็นอุเบกขาแทนรู้สึกม้หมนี่รู้สึกบ่อยๆนะแต่อย่าไปจ้องถ้าจ้องเราเป็นการแทรกแซงนะมีความสุขก็มีไปะเมื่อไม่กี่วันเนี้ มีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่วัดนะมาคุยกับแม่ชีมาถามคุณแม่ว่าไม่เข้าใจเลยว่าที่นี่เขาฝึกกรรมฐานอะไรนะยังเขาใช้ชีวิตธรรมดามากเลยเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ยิ้มไปยิ้มมาเดินไปเดินมากินโน่นกินนี่นะกรรมฐานอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกรรมฐานในชีวิตประจำวันไยนะเนี่ยกรรมฐานในรูปแบบไปทาที่บ้านนะตั้งอกตั้งใจทาทุกวันนะ ไหวพาส่วนหมดแล้วก็ใครยดูทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปจิตใจมันอยู่กับตัวเองแล้วก็รู้สึกรู้สึกกายรู้สึกใจไปเห็นกายเห็นใจมันทํางานไปอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ก็ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกนะปัญญามันจะเกิดถ้าไปบังคับกายบังคับใจนี่เป็นอาตาัตตะกิลมฐ า, านโยกตึงไป เด็กไม่มีนะอัตตาขิ้าตฐานยุโยงนะเด็กมันปล่อยเป็นธรรมชาติเลยแต่มันหลงมันเป็นการสุขาธิการนิโยงพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยมันจะพลิกไปสู่อัตตาขิ้นมาตฐานยุโยงค่อยบังคับตัวเองตลอดเวลาอย่าไปบังคับมันปล่อยให้มันทํางานแล้วมีสติรู้ไปนะอ้าวแต่ไปนี้ไปปฏิบัติทำนะในการกินข้าวในอิริยาบถ ย, ย่อยกินข้าวแล้วลองสังเกตตัวเองดูเรากินข้าวมื้อหนึ่งกี่คํา ใครรู้บ้างกินข้าวครั้งแรกในชีวิตเมื่อหลายสิบปีมาแล้วยังไม่รู้เลยนะกินข้าวมือหนึ่งกี่คำที่อิ่มอะ่ะไป